เมื่อวันที่15พฤศจิกายพ 2, 9, นพศ2569ณวัดป่ามันตัดจังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบุญญาณสัมปนันโนนักบวชจัดรอบ เป็นผู้สําคัญในวงศาสนาจะเรียกว่าเป็นบุคคลตัวอย่างก็ได้จะเรียกว่าผู้นําศาสนาเพื่อประชาชนก็ได้แต่การที่จะนําพระาศาสนาเพื่อประชาชนและนําศาสนาเพื่อตัวเอง ผู้ปฏิบัติพระศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งคือนัก บ, บวชของเราจึงควรตระหนักระหว่างตนกับพระศาสนาอย่างยิ่งหากว่าขาดความตระหนักในตนเองกับพระศาสนาซึ่งจะนำมาเป็นเข็มทิศทางเดิม แล้วจะหาทางก้าวไปมันได้ดังนั้นนักบวชจึงถือหลักสำคัญไว้ในใจของตนเสมอคือต้องเป็นผู้อดทน อดทนต่อพระโอวาทคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทที่ท่านประทานไว้เพื่อเรานอกจากอดทนต่อคําสอนของท่านแล้วยังต้องเพียรพยายามดําเนินตามสายทางที่ท่านสอนไว้แล้วอย่างไร ด้วยความอุตสาห์พยายามความพิถีพิถันความระมัดระวังสังหรวงในทุกๆอิริยาบถอย่าทำความเผลอเดอจากข้อปฏิบัติที่เป็นหลักธรรมอันเป็นเครื่องแต่จำของตนเอง ที่จะต้องปฏิบัตินี่คือหลักสำคัญของน้าบมวดถ้าตนมีหลักใจเพื่อเป็นภาชนะรับศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าได้เป็นลำดับลำดับไม่ปล่อยให้ความท้อแท้อ่อนแอเข้ามาเหยียบยำ่ำ หรือมาแทนที่ที่ธรรมะจะสถิตยอยู่คือดวงใจแล้วผู้นั้นชื่อว่าในียาบททั้งสี่เป็นอยู่ด้วยหลักธรรมล้วนจะเป็นผู้มีความร่มเย็นเป็นสุขภายในตนเอง แม้จะมีความลำบากต่อการประพฤติธปฏิบัติในหลักธรรมนิยของพระพุทธ เ, ทเจ้าก็ตามแต่ก็เป็นเพียงงานอันหนึ่งซึ่งผู้มีงานในหน้าที่นี้จะต้องทำโดยหลีกเว้นไปไม่ได้เท่านั้นส่วนที่จะให้ทาให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ตน เพราะการสังรวมระวังและการปฏิบัติตามหลักธรรมในในของพระพุทธเจ้านั้นจะไม่มีแก่ผู้ปฏิบัติโดยวิธีที่กรรมเคยแสดงให้ท่านผู้ฟังทราบเสมอหรือจะเรียกว่าตลอดมาก็ดับว่าพระพุทธเจ้าก่อนที่จะนำพระศาสนามาสู่โลก ไ, ได้รู้เดียงสาภาวะตามหลักความจริงที่พระองค์ท่านสอนนั้นรู้สึกว่าพระองค์ได้ถือพระองค์เองเป็นผู้ประกันชีวิตของสัตว์โลกทั่วๆไปโดยพรีชีพเพื่อหลักธรรมคือความบริสุทธิ์จุดหมายปลายทาง โดยไม่มีความท้อถอยตลอดมาจนได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาโดยสมบูรณ์มิได้เป็นพระพุทธเจ้ามาด้วยความอ่อนแอความถอยหลังความนอนใจความไม่มีความเพียรความไม่อดทน แต่เป็นขึ้นมาด้วยรำตรงกันข้ามที่กล่าวนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทมทุกบททุกบาทที่แสดงออกมาจากพระไทยที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้านะั้นจึงเป็นเนื้อธรรมะที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งไม่มีสิ่งใดจะเสมอเหมือนในโลกนี้หรือโลกใดๆก็ตามจึงเป็นธรรมะอธรรมะ ที่รับรองโลกทั่วไตรภพให้ก้าวเข้าสู่ความสุขความเจริญตามฐานะของตนของตนที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมได้มากน้อยจะไม่มีช่องใดซึ่งจะเป็นโมฆะธรรมแก่ผู้ปฏิบัติตามโดยถูกต้อง แต่จะเป็นนิยานิกธรรมนำผู้นั้นให้พ้นจากความขัดข้องยุ่งเหยิงเพราะความผิดพลาดของตนที่เคยเป็นมาโดยลำดับลำดับจากสวขาตธรรมของพระพธิเจ้าที่ตรัสไว้ชอบแล้วด้วยการปฏิบัติตามของตนเรามาบวชในศาสนา ก็ทราบด้วยกันทุกคนว่ามาฝึกฝนอบรมหรือทรมานตนเองทมวิธีใดจึงจะเรียกว่าการฝึกฝนอบรมและทรมานตนเองเราจะอยู่เฉยๆเหมือนตุ๊กตาก็ไม่เรียกว่าผู้ฝึกฝนอบรมตนเองการทรมานก็คือ การดัดแปลงคมคูตนเองในเวลาที่กิตแสดงความลำพองขึ้นมาซึ่งควรจะทำการขู่เข็นหรือบังคับให้อยู่ในเงื่มมือแห่งหลักธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยวิธีการของตนอบรมก็คือ การบำเพ็ญหรือการระมัดระวังสังรวมอยู่เสมอเสมอไม่ขาดวักขาดตอนซึ่งเป็นเหมือนกับปุ๋ยเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเมื่อได้รับการบำรุงเสมอด้วยปุ๋ยแล้วจะเป็นพืชผลต่างๆก็ต่างจะเป็นทางด้านจิตใจก็ตาม ยอมจะมีวันเจริญเติบโตจนถึงผิดอกออกผลขึ้นมาแล้วสุขให้สำนึกประโยชน์แก่ผู้เป็นเจ้าของฉะนั้นถ้าเราจะอยู่เฉยเฉยเหมือนอย่างคนไม่มีทรมีวี่ไหนเหมือนโลกที่ไม่รู้จักศาสนาเลย ก็ไม่ผิดแปลกอะไรจากโลกประเภทนั้นฉะนั้นการมาบวชในศาสนาตนเองก็ทราบว่าตนเป็นนักบวชและทราบว่าตนมาฝึกฝนอบรมตนเองด้วยแล้วจึงควรจะสำนึกตัวอยู่ตลอดเวลาว่าวิธีการใดที่ เราจะฝึกฝนอบรมหรือทรมานตนให้เป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเป็นล ำ, ลำดับลำดับจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี้นี่เป็นหน้าที่ของเราทุกท่านจะต้องคิดอ่านไตรตรองเสมอผู้เช่นนี้ชื่อว่าผู้มาอบรมศึกษาปฏิบัติฝึกฝนตนเองอย่างแท้จริง ธรมะที่จะปรากฏเป็นผลให้ได้รับนั้นจะต้องปรากฏขึ้นมาโดยวิธีการที่กล่าวนี้ทั้งนั้นแต่จะไม่ปรากฏขึ้นมาตามวิธีเก่ า, าตามวิธีที่อยู่เฉยเฉยโดยไม่ทำความสำนึกตัว อ, อดก็ยอมอดในการที่ควรอดทุกก็ยอมทุก์ในเวลาที่ควรทุก ยากลำบากในหน้าที่การงานของนักบวชก็ยอมรับเพราะเราตั้งหน้ามาเพื่องานของนักบวชอยู่แล้วตั้งแต่วันเก้าเข้ามาบวชจนบัดนี้เราจะละหน้าที่การงานประเภทนี้ไปเก็บตัวไว้ที่ไหน จึงจะปลอดภัยจากสิ่งที่เคยรุมร้อมจิตใจของเราให้รับความเดือดร้อนมาเป็นเวลาหนานด้่นข้อาการฝึกฝนอบรมทุกวิถีทางตามแนวทางของศาสนาที่สอนไว้เพื่อนักหมวชเรานั้นล้วนแต่วิธีการที่จะสำลอกปอกสิ่งที่ชั่วช้าลามกภายในจิตใจของเรานับแต่ส่วนหยาบหยาบจนถึงส่วนละเอียดที่สุดออกได้ ด้วยข้อปฏิบัติการฝึกฝนอบรมตนเองนี้เท่านี้ทั้งนั้นไม่มีทางอื่นที่จะเป็นทางหลบปีกปีกทุกไปได้ตามเสร็จพระพุทธเจ้าหรือสาวกท่านให้ท่านนอกจากจะดำเนินตามวิธีที่ท่านทรงดำเนินไปแล้วมีเท่านั้นวิธีที่ท่านทรงดำเนินไปนั้นทั้งพระพุทธเจ้าและสาวกต้องไปด้วยความลำบากบ้างความสะดวกบ้าง สับปนกันไปเช่นนี้เหมือนบุคคลที่เดินทางตามระยะทางที่ราบลื่นหรือขรุขระผู้เดินทางจะต้องได้รับสัมผัสทั้งสองระยะนี้เป็นธรรมดานี่ผู้ปฏิบัติจําเป็นจะต้องสัมผัสกับเรื่องของความลําบากบ้างความสะดวกบ้างทุกบ้างเป็นบางการบางเวลาได้รับความสุขเพราะผล ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของตนไม่ท้อถอยนั้นนี่จะต้องโยนเนื่องกันไปเช่นนี้เหตุแห่งการบําเพ็ญกับผลที่จืดพึงไนะครับนี่จะแยกจากกันไปไม่นานนี่เป็นทางดําเนินของพระพุทธจิตพระพุทธเจ้าและสาวกท่านไม่มีทางอื่นที่จะมาสอนพวกเราให้ดําเนินผิดแปกจากพระองค์ท่านและสาวกไป ท่านได้ดำเนินอย่างไรและเห็นผลอย่างไรจนกระทั่งถึงในตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าและสาวกองเบิสุดขึ้นมาโดยทางสายใดท่านจะต้องส อ, สอนพวกเราให้ดำเนินเดินตามทางสายนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเมื่อเป็นเช่นนั้นอุบายวิธีทุกๆแง่ทุกๆ ก, ก, กระทงในหลักธรรมะที่กล่าวไว้มีจำนวนมากมาย เหล่านั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายหรือแนวทางที่จะพาผู้ปฏิบัติตามสวขาตาธรรมนี้ให้ถึงนิยานิกรรมเป็นชั้นชั้นขึ้นไปจนถึงมิมุติหลุดพ้นไปได้โดยสิ้นเชิงจะไม่นอกเหนือจากอุบายวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นแล ะ, ะแสดงไว้นี้ไปได้เลยโปรดทุกท่านทำความเข้าใจให้ ชัดเจดให้แน่นอนในข้อปฏิบัติที่ท่านสอนไว้และมั่นใจต่อการบำเพ็ญตามอย่าลดละนี่คือทางสายเอกของพระพุทธเจ้าที่ถึงความเป็นเอกเพราะทางสายนี้ทางสายเอกแห่งสาวกที่ถึงความเป็นเอกตามพระพุทธเจ้าก็คือทางสายนี้ จะเดินทางสายอื่นแต่จะพ้นจากทุกโดยประการทั้งปวงไปได้นั้นไม่มีทางใดที่จะก้าวเดินไปได้เลยพระพุทธเจ้าก็ทรงค้นวิธีทางพ้นทุกมาปรากฏว่าหกพระพันษาไม่ปรากฏเห็นทางสายใดที่จะเป็นทางที่ปลอดภัยพอจะรอดรอดเ เล็ดรอดจากภายัยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือกิเลสสัพายนี้ไปได้นอกจากทางสายที่ทรงประกาศไว้นี้เท่านั้นเพราะพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นจากทางสายนี้นี่เป็นทางที่เช่นทางที่รับรองมาตั้งแต่พระพุท ธ, ธเจ้าโดยลำดับจนกระทั่งถึงบัดนี้ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงให้เป็นทางสายอื่นคนที่จะพึงได้รับก็ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอื่นเช่นเดียวกันเพราะทางสายนี้เป็นทางสายเดิมเนื่องจากสิ่งที่ล้อมรอมจิตใจของสัตว์โลกก็เป็นประเภทดังเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองมาเป็นอื่นเพราะจะเปลี่ยนสายทางนี้ให้เป็นอื่น ผลคือสิ่งที่ได้รับจากการดําเนินตามทางสายเดิมีก็เป็นผลอันดั้งเดิมดังที่พระพุทธเจ้าเห็นมาแล้วรู้มาแล้วไม่เป็นอย่างอื่นคือเมื่อดําเนินให้ถูกต้องตามหลักธรรมนี่แล้วจะเป็นผู้ถึงความบริสุทธิ์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายโดยไม่คํานึงถึงการว่านานหรือไม่นาน จากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ะนิพานมาจนกระทั่งถึงบัดนี้เพราะเหตุใดเพราะทางดำเนินนี้เป็นทางดั้งเดิมไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองไปอย่างไรอีกผู้ปฏิบัติก็เป็นสุภาพชนพุทธบริษัทเหมือนกันกับครั้งพระพุทธเจ้า เป็นประเภทเดียวกันสิ่งที่จะแก้ไขภายในจิตใจก็คือความชั่วฝังอยู่ทุกแง่ทุกมุมภายในตัวของเราแล้วเป็นประเภทเดียวกันวิธีการที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านี้ก็เป็นวิธีการอันเดียวกันเมื่อแก้ได้แล้วด้วยอำนาจแห่งวิธีการที่ตนบำเพ็ญให้สมบูรณ์ล้ผลที่จะพึงได้รับ ก็เป็นแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงไม่เป็นอื่นใครจะเปลี่ยนแปลงไปอะไรก็ตามตามธรรมดาของโลกมีความเปลี่ยนแปลงความนิยมผิดแปลกกันไปเรื่อยๆมาสมัยหนึ่งมีความนิยมอย่างหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปทั้งความประพฤติทั้งการใช้การสอยกิริยามายาตปัตยายายใจคอสังคมไม่เหมือนกันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ตลอดถึงการปลูกบ้านสร้างเรือนเครื่องนุ่งหม่มมีความเปลี่ยนแปลงกันไปเรื่อยด้วยอธัธยาศัยใจคอของคนก็เหมือนกันเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยเรื่อยเนื่องจากโลกเป็นของไม่แน่นอนเช่นผลที่จะปรากฏขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงนั้นจึงต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเช่นเดียวกันถ้าหากผู้รู้เท่าไม่ถึงการถูก สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในทางผิดผู้นั้นจะต้องได้รับความพินาศล่มจมไปได้เนื่องจากรู้เท่าไม่ถึงกับแต่หลักแห่งสวขาธรรมที่พระพธธุทธเจารร้าตรัสไปนี้ทั้งเป็นฝ่ายพระธรรมและฝ่ายพระวิ น, นัยมีความคงที่อยู่ด้วยความถูกต้องมีหลักเกณฑ์เป็นที่ตั้งเสมอไม่ตั้งนอกเหนือจากหลักความจริงเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ปฏิบัติจะเป็นคนชาติชั้นวันนะ หรือเพศใดก็าตามมาปฏิบัติตามสวดหลักแห่งสวดขาตธรรมนี้จึงเป็นผู้จะถึงจุดหมายปลายทางเป็นชั้นๆไปโดยลำหนับเช่นเดียวกันหมดโดยไม่ยกเว้นในชาติชั้นวันละหรือเพศบรรดาที่เป็นมนุษย์ด้วยกันไม่มีความลำเอียงที่จะไปเข้าข้างโน้อนออกข้างนี้แต่เป็นความ คงตัวอยู่ด้วยเหตุผลถานบำเพ็ญให้ถูกต้องตามหลักเหตุผลแล้วจะไม่มีสิ่งใดมาขัดแยง้งมาเปลี่ยนแปลงให้เป็นอย่างอื่นไปได้ระหว่างมรรคกับผลให้แยกทางกันมันจะเป็นไปไม่ได้เรื่องเหตุคือการบำเพ็ญมีสิทธิที่จะแสดงผลขึ้นมา ทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วไม่มีผู้ใดจะมีอำนาจราชศักมาบังคับให้เหตุกับผลแยกทางเดินกันได้เช่นผู้ทำชั่วแต่จะต้องได้รับผลดีอย่างนี้เป็นต้นไม่มีถึงจะดีก็ดีตามความเสื่อสรรตั้นยอกันเฉยๆตามหลักธรรมชาตินั้นจะไม่ขึ้นกับใครแต่จะขึ้นอยู่กับหลักเหตุที่ทำนั้น ดีหรือชั่วเท่านั้นเป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นพระพุเทธเจ้าสอนธรรมะจึงไม่สอนเพื่อให้ขึ้นอยู่กับอะไรเท่านั้นนอกจากจะให้ขึ้นอยู่กับเหตุและผลนี้เท่านั้นเป็นสิ่งสําคัญในหลักธรรมของพระพุเทธเจ้าทุกๆพระองค์ฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงควรคำหนึงถึงหลักเหตุผลที่เป็นหลักธรรมของพระพุเทธเจ้าจะเป็นผู้มีเหตุผลประจำตน และรู้วิธีหลบหนีปีกตัวได้จากสิ่งที่จะปรากฏขึ้นภายในตัวเองโดยมากเป็นฝ่ายที่ผิดพยายามแก้ไขกันลงได้ด้วยหลักเหตุผลที่ถูกต้องตามหลักธรรมของพระโพธิจักจะมีทางเดินตลอดไปจนถึงจุดหมายปลายทางได้มีเราเป็นนักบวชมีหน้าที่ที่จะบําเพ็ญตัวให้เป็นตัวอย่างอันดีของตัว ให้เป็นที่เย็นอกเย็นใจนั่งอยู่ก็เย็นนอนอยู่ก็เย็นจะเดินเหินไปมาที่ไหนก็ให้มีความเย็นด้วยหลักทมหลักที่ไหนให้เย็นด้วยผลคือสิ่งที่แช่มชื่นอยู่ภายในจิตใจเนื่องมาจากเหตุที่ตนนำบำําเพ็ญโดยถูกต้องอย่าเป็นอยู่ด้วยความเดือดร้อนที่นอกจาก หลักธรรมินัยของพระพุทธเจ้าจะยากลำบากไปอย่างไรในวงการปฏิบัติตามสุบคะตะทำเราไม่ต้องถือเป็นสิ่งที่มีอำนาจเหนือจิตใจแล้วมาบังคับจิตใจของเราให้กลายเป็นคนอ่อนแอลงได้ โปรดได้มองทางดําเนินของพระพุทธเจ้าเสมอและโปรดได้ะระลึกถึงพุทธทางเสนางคัตฉามิทำมังสังคงงังเสนังคัตฉามิเสมอทั้งสามพระรัตนนี้เดินเป็นทางสายเดียวกันถ้าเป็นเหตุก็เป็นเหตุอันเดียวกันถ้าเป็นผลก็เป็นผลอันเดียวกันจะต่างกันก็สักแต่ว่าชื่อเท่านั้น เพราคำว่าพุทธธรรมะสังฆะในหลักธรรมชาติจริงๆแล้วจะไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากคําว่าธรรมะเลยพุทธะก็รวมอยู่ที่ธรรมะสังฆะก็รวมลงมาอยู่ที่ธรรมะเหตุที่ธรรมะอันบริสุทธิ์จะปรากฏขึ้นเนื่องจากพุทธะได้พ้นคว้าโดยถูกต้องตามทางเดินตามความจริงของธรรมธรรมะจึงปรากฏขึ้นอย่างเต็มที่ฉะนั้น ผู้ดำเนินจึงควรคำนึงถึงพระธนัตรทั้งสามยาได้ปล่อยว่าหากว่าเหินห่างจากใจแล้วยอมจะปรีกแวะไปในทางอื่นได้โดยเจ้าตัวไม่รู้ปรีกแวะไปเรื่อยๆก็ผิดทางไปเลยและย้อนกลับมาลำบากเช่นบุคคลที่ปล่อยตัวเกินไป โดยไม่คำหนึ่งถึงโอวาทคำสอนของพ่อของแม่ของครูของอาจารย์ทาตามอัตโนมัติคือตามชอบใจของตนทาไปเรื่อยๆปล่อยตัวไปอยู่เช่นนั้นตลอดสายตลอดเวลาไม่มีการหักห้ามกัน้นกลางตนเองเจนกลายเป็นนิสัยที่เต็มไปด้วยความปล่อยตามใจ ไม่มีอะไรเป็นเครื่องยับยัง้งเวลาจะกลับตัวเป็นคนดีนี่กลับไม่ได้เพราะทางนั้นมีกำลังมากและฉุดลากไปทั้งวันทั้งคืนทุกๆุกียาบทจะปรากฏแต่สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาทั้งนั้นเต็มอยู่ภายในตัวของหมุ่คนพวกนั้นนี่เป็นผู้ที่จะสุดวิสัยในการแก้ไขตัว เ, เพราะ สิ่งที่เกิดขึ้นมาแต่เล็กละน้อยนั่นแหละถ้าสมตัวกันขึ้นจนมีกำลังมากแม้ตัวเองพูดสั่งสมขึ้นมาทีเล็กละน้อยก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขตนเองได้เนื่องจากสิ่งละเล็กละน้อยนั่นแหละเมื่อรวมกันเข้าแล้วมีกำลังมากจึงไม่สามารถจะแก้ได้นี่เป็นสิ่งที่เราจะควรพิจารณาให้มากคาว่ามอง ดูพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เสมอนั่นคือทางดำเนินของท่านผลที่ท่านได้รับท่านดำเนินอย่างไรจึงได้รับผลเช่นนั้นเวลานี้เราดำเนินอย่างไรอยู่เรามีความเป็นอยู่อย่างไรเรามีความรู้สึกอย่างไรอยู่เวลานตรงตามแนวทางเดินของพระพุทธเจ้าไหม น, หนมมี่ต้องคำหนึงถึงครูเสมอผู้ลูกจิ์ที่มีครูต้องคํานึงถึงครู ต้องระลึกระลึกถึงครูเสมอลูกมีพ่อมีแม่จะไปอยู่บ้านในเมืองใดแม้ไปอยู่ในประเทศนอกก็ยังต้องระลึกถึงพ่อถึงแม่มีคนถามถึงบ้านถึงเดือนก็ต้องขี้ไปถึงบ้านพ่อบ้านแม่ของตอนเองมาอยู่เมืองไหนต้องขี้ไปทางโน้นตามความรู้สึกนี่นี่พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ไหนก็คืออยู่ที่หลักธรรมนั่นเองหลักธรรมท่านขี้บอกไว้อย่างไร จงเดินตรงเข้าไปด้วยข้อปฏิบัติถึงจุดแห่งหลักธรรมินันนั้นจะไม่ผิดพลาดจากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไปได้เลยแม้จะนิพพานไปได้ไลยสองพันห้าร้อยกว่าพรรษ า, าตามสมมุตินิยมแห่งการเวลาข้อตามแต่หลักธรรมชาติที่ไม่เคยเอีย ง, ยงไปตามการสมัยนั้นคือหลักความจริงพุทธะที่บริสุทธิ์ธรรมะที่บริสุทธิ์ สังฆะที่บริสุทธิ์จากการดำเนินที่ถกถูกต้องนี้แรมรวมกันเข้าเป็นองค์แล้วคือองค์แห่งธรรมะที่เต็มไปด้วยเหตผลนี่แลเป็นจุดทางเดินนี่แลเป็นจุดที่ะระลึกนี่แลเป็นจุดที่จะยึดมาเป็นหลักใจเพื่อดำเนินตามด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ลดละนี่แลชื่อว่าผู้ะระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประเสะริ์ระลึกถึงอย่างนี้จะชื่อว่าถูกต้อง ตามความมรึกถึงองค์ท่านจริงๆถ้าผู้ปฏิบัติจะม า, มามัวเมาคิดถึงแต่ความลำบากแล้วจะไม่มีอะไรเป็นเครื่องตอบแทนจะมีแต่ความเดือดร้อนภายในตัวเองโดยหวังผลซึ่งตนไม่บำเพ็ญก็กลายเป็นเรื่องวาดมโนภาพออกเฉย จะไม่สำเร็จประโยชน์อะไรนี่ที่ได้เป็นขึ้นโดยเจ้าตัวไม่รู้คือได้มาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนหมู่คณะนี่ก็ได้บำเพ็ญมาเต็มสติกำลังความสามารถของตนเมื่อคิดย้อนหลังแล้วก็รู้สึกว่าเป็นที่ภาคภูมิใจในความเพียรที่ตนได้ตะเกียบตะกายมาจนถึงบัจนี้เบื้องต้นล้มนุกคุกคาน จนหาทางจะไปไม่ได้นอกจากนั้นยังสงสัยมรรคผลนิพพานว่ามีอยู่จริงหรือไม่ <c oughs> ความอยากนั้นอยากมากมายแต่ความสงสัยเรื่องมรรคผลนิพพานนั้นก็เต็มใจเหมือนกันจนได้เข้าไปถึงท่านพระอาจารย์มัน่นท่านได้เมตตาสั่งสอนให้เป็นที่พอใจตามความรู้สึกของท่านที่บำเพ็ญและดูเห็นมาอย่างไร แก่เราแล้วจึงเกิดความภาคภูมิใจเต็มไปด้วยความหวังอย่างยิ่งจากนั้นก็ได้บำเพ็ญเต็มสติกำลังความสามารถเรื่องความอดความอิ่มนี้เคยเป็นมาเป็นประจำนิสัยในเวลาปฏิบัติไม่ถือเป็นภาระไม่ถือเป็นสิ่งที่หนักอกหนักใจ แต่ถือว่าเป็นทางเดินเราอดเราหิวเราละหมากลําบนในการประกอบความเพียรผลที่ปรากฏขึ้นภายในใจของเราเป็นอย่างไรบ้างนี่เป็นข้อเทียบเทียงให้มีความกระยิ่มต่อความอดความทุกนั้นอยู่เรื่อยๆเพราะจิตใจของเราโดยมากจะต้องได้รับผลในเวลาจนกรอกจนมุมแต่นับความทุกข์ความละหมากจิตใจย่อมคิด กาไรไตรตรองแล้วก็เห็นช่องทางหรืออุบายต่างๆที่ปรากฏขึ้นพอเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงน้ำใจของเราให้มีความอุตสาหพยายามแล้วฝ่าฝืนอดทนต่อความหิวความลำบากเหรานั่นไปได้เป็นระยะระยะระยะขณะที่ได้บำเพ็ญตัวอยู่เช่นนั้นไม่ได้ขาดได้ฝันไม่ได้นึกอะไรเลยว่าจะได้เป็น ครูอาจารย์สอนหมู่เพื่อนดังที่อธิบายอยู่ตลอดมาจนถึงบัดนี้เพราะมีความสนใจเฉพาะตัวเองโดยปกติไปที่ไหนก็ชอบไปคนเดียวบำเพ็ญคนเดียวเรื่องการอดการอิม่มสถานที่อยู่ขอให้เป็นที่เหมาะสมในการประกอบความเพียนเท่านั้นเป็นที่พอใจ มันในคำหนึงถึงอาหารการบริโภคเครื่องใช้เครื่องสอยจะเป็นอย่างไรก็ตามขอให้ยังชีวิตพอเป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อสมรรณธรรมของเราให้เป็นที่พอใจเท่านั้นเป็นที่พอใจของเราแล้ว น, นี่รู้สึกว่านิสัยวาสนาของตัวเองนี้จะหยาบเอามากมายเพราะการบาเพ็ญเพียรธรรมดา เดินจงกรมนั่งสมาธิธรรมดาไม่ค่อยจะปรากฏผลนอกจากจะเดินแบบที่ว่าจนฝ่าตินฝ่าเท้านี่ร้อนเหมือนกับไฟเผาที่อยู่นั่งก็ยังว่านั้นเน่ที่เคยเล่าให้ฟังมาเอาจนถึงกับจะให้หมดชีวิตกันในเวลาน่ะถ้าได้ตั้งคำสัตว์ตรงอย่างไรแล้วไม่ยอมลบ ไม่มีอันใดที่จะมีคุณค่ายิ่งกว่าความสัตธ์ภายในตัวของเราหากว่าเราได้ทำลายความสัตย์ทึง่งซึ่งเราตั้งไว้ใช้เองนี้แล้วเราก็หมดคุณค่าจะปรากฏแต่ล่างของคนเท่านั้นแต่ธรรมะของคนจะไม่มีภายในใจของเราจึงรู้สึกสงวนเรื่องนี้คำสัจคำจริงมากตลอดมาจนบัดนี้เพราะเห็นคุณคำสั์นี้ให้คุณมากมา ถึงเวลาจนกรอกคำสัจนิ้ตั้งลงจนแน่นไม่มีอะไรจะถอนขึ้นได้นอกจากตัวเองจะถอนและตัวเองก็ไม่พอใจและไม่มีความสนใจที่จะถอนนอกจากจะย้ำลงไปเท่านั้นเพื่อความมั่นคงเท่าไหร่จะเป็นที่พอใจนี่ลนะ่ละตอนนี้เรื่องความทุกข์ความลหบากในการนั่งกอแสดงขึ้นมาร่างกายของเราทั้งร่างนี้เหมือนกับกองเพลิงทั้งกองเลยทีเดียว มันร้อนมันทุกไปหมดทุกส่วนแห่งอวัยวะกระดูกแต่ละชิ้นละชิ้นที่ติดต่อกันอยู่ภายในร่างกายเหมือนกับจะแตกจะหักเป็นผุยผงไปทีเดียวเพราะความทุกข์มันเผาผลาญแต่ความสัตว์นั้นจะให้คงที่ไม่ยอมให้เองนเอียงไป ระสํารสายไปตามเรื่องของทุกข์ที่มาอยู่อย่นั่นเลยหรือที่มาบีบคั้นนั้นปัญญาหยั่งลงไปในเวลานั้นเราจะเอาจิตไว้เฉยเฉยไม่ได้จิตต้องวิ่งตามเรื่องสัจ ธ, ธรรมคือทุกข์ที่กําลังแสดงอยู่เวลานั้นแยกทุกข์ให้เห็นชัดๆจากกายแยกกายออกจากทุกข์แยกทุกข์ออกจากกายเนื่องเบื้องต้นก็ดูทุกข์กับ เรื่องส่วนแห่งร่างกายมีอะไรเหมือนกันหรือผิดแปกกันอย่างไรบ้างโดยทางปัญญาแยกกายออกจากเวทนาคือทุกขเวทนาแยกเวทนาออกจากกายแยกกิจออกจากเวทนาออกจากกายดูว่าเป็นเหมือนกันไหมถ้าเป็นเหมือนกันท่านทําไมจึงเรียกว่ากายเวทนากิจเมื่อปัญญาก็บังคับให้อยู่ในกรอบแห่งสัตธรรมนี่ก็ แสดงว่าจนกรอกแล้วเพราะหาทางออกไม่ได้มีแต่ทุกปีบคั้นอยู่ท้างล่างเลยเป็นแต่เพียง ว, ว่าใจเราไม่ร้อนเท่านั้นเรื่องร่างกายนี้ร้อนไปทั่วท้างล่างคุกไปทั่วท้างล่างปัญญาหยั่งลงไปที่นี่พิจนาลงไปจนเห็นชัดว่ากายเป็นส่วนหนึ่งจริงด้วยปัญญาเวทนาเป็นส่วนหนึ่งจริง จิตเป็นส่วนหนึ่งจริงแยกกันได้โดยเด็ดขาดในขณะนั้นจิตก็ลงได้อย่างเต็มที่ขาดจากความรู้สึกในส่วนแห่งร่างกายและทุกขเวทนาที่เคยปรากฏตัวอยู่ดับสลายไปหมดไม่มีอันใดเหลือร่างกายแม้จะมีอยู่ตามธรรมชาติของเขาแต่เมื่อจิตได้รู้รอบในกายเวทนากับจิตโดยถูกต้องแล้ว จิตก็ลงได้เรื่องความรู้สึกว่ากายมีภายในใจนั้นไม่ปรากฏเลยเบสทุกเวธนาก็นับยังเหลือแต่ความรู้เพียงอันเดียวเท่านั้นอยู่ในช่องว่างเหมือนกับว่าอาจะอากาศมีความรู้สึกอยู่ในความว่างนั้นเท่านั้นและความอัศจรรย์ที่ ไม่เคยปรากฏได้ปรากฏขึ้นแล้วในเวลานั้นพอจิตถอนขึ้นมาก็แน่ใจทีเดียวว่านี่เป็นผลที่เราทำในวันนี้เราทำด้วยวิธีนี้ได้ผลเช่นนี้ขึ้นมาคือด้วยวิธีทุกยากลำบากเอาชีวิตเข้าสู้ไม่ยอมลดละเอาความจัดหนุนหลังเข้าไป ไม่ยอมให้ถอยหลังออกมาได้นอกจากจะทะลุไปข้างหน้าเท่านั้นตายก็ยอมให้ตายข้างหน้าไม่ต้องย้อนกลับมาตายข้างหลังคือข้างหลังคำตัดไม่ยอมให้ตายตายอยู่ตรงหน้าคำตัดยอมให้คำตัดหนูนหลังไปนี่เป็นเหตุให้ได้ผลขึ้นมาอย่างชัดเจนในวันนั้นเป็นวันแรกที่ได้เห็นได้รู้ได้เห็นจิตได้แยกจากกองทุกข์ เพราะการนั่งมากได้จักใจทุกก็สลายตัวลงในขณะเดียวกันเมื่อเวลาปัญญาพิจารณารอบคอบแล้วกายก็หมดความรู้สึกทุกก็สลายลงไปใจมีความดำลงตนอยู่ด้วยความองอาจกระหารความเที่ยงตรงความสว่างสวยอยู่ภายในตนอย่างเต็มที่เป็นธรรมะอัศจรรย์อันหนึ่ง ซึ่งปรากฏตัวขึ้นอย่างเด่นชัดในเวลาเช่นนั้นพอถอนขึ้นมาแล้วทุกขเวทนาซึ่งเคยแสดงตัวก็แสดงขึ้นมาอีกกิจเมื่อได้อุบายเป็นสักขีพยานแล้วย่อมไม่มีการถอยหลังนอกจากจะขยับตัวเข้าไปให้มั่นคงลุ้นแน่หนานหรือแข็งแรงยิ่งกว่านั้นเข้าไปอีกเท่านั้นไม่มีทางอื่นที่จะเป็นทางตีกแวะของการําเนึ่พจนาลงไปอีก แล้วลงได้อีกอย่างนั้นนั่นปรากฏว่าได้หลักจิตและแน่ในใจว่านี่เป็นฐานของจิตที่แน่นอนแล้วบัดนี้จิตของเราจะไม่เสื่อมเพราะความรู้ชัดภายในตัวเองว่านี่คือฐานของจิตอันเป็นที่อยู่ของจิตได้แน่นอนแน่แม้จะไม่มีภูมิธรรมอันสูงแค่ใดก็ตามแต่ฐานนะแต่ฐานของจิต ซึ่งสถิตอยู่ภายในตัวเวลนัน้เป็นฐานของกิจที่จะตั้งอยู่ได้ด้วยความไม่กํลัเริกนั่นเป็นการตัดสินใจครั้งแรกในการบำเพ็ญมาจากนั้นก็เร่งทางด้านสมาธิจนมีความสงบได้เป็นประจำนิสัยเลยเรียกว่า ม, มีสมาธิเป็นเรือนใจรู้ชัดภายในตัวเอง ขณนะที่ลงไปสู่ความสงบหยุดกิริยาอาการของจิตทุกๆประเภทก็หยุดลงไปถอยขึ้นมาก็รู้ว่าถอยขึ้นมาแต่ไม่ได้เป็นความกังวลห่วงใยยุ่งเหยิงกับสิ่งใดซึ่งเคยเป็นมาแต่ก่อนทั้งนั้นมีความสงบเป็นเจ้าเรือนของจิตเป็นนิสัยของจิตต่อมาเมื่อได้รับอุบายจากท่านอาจาร ย, าย์ใหญ่ ซึ่งทาแสดงให้ฟังอย่างเต็มที่อย่างเผ็ดร้อนในทางปัญญาก็พยายามค้นคิดไปตามทันนี่แหละตอนปัญญาจะแสดงตัวออกมาให้เห็นชัดเห็นผลของปัญญาก็มาเห็นตอนนี้อีกตอนหนึ่งเห็นผลตอนจนกรอกนั่นครั้งหนึ่งเห็นผลตอนจนกรอกนั้นเห็นเวลาที่กิ เข้าสู่ความสงบได้ด้วยอำนาจของปัญญาแต่พอจิตเข้าสู่ความสงบจนกลายเป็นสมาธิประจำนิสัยแล้วลืมปัญญาขั้นนั้นไปเสียเลยเห็นสมาธิเป็นของดีอย่างยิ่งและยังเห็นอีกว่าจิตที่ทรงตัวอยู่ในความเป็นสมาธินี่แหละจะเป็นนิพพานได้เพราะฉะนั้นจึงไม่สนใจที่จะต้องพิจารณาจิตอันนี้ กับสิ่งที่เกี่ยวข้องครับจิตนั้นให้เป็นอะไรต่อไปอีกมีความมุ่งที่จะทำจิตอันนี้ให้เป็นนิพพานท่าเดียวโดยไม่คิดว่าจะเป็นได้โดยวิธีใดนี่เป็นเหตุให้นอนใจมากมายไปหลายปีต่อเมื่อได้รับอุบายที่อันเผ็ดร้อนจากท่านอาจารย์ใหญ่ซึ่งท่านเมตตาอย่างเต็มที่ใส่เข้าไปอย่างผางผางจึงถึงใจ แล้วทอยตัวออกมาพิจารณาทางด้านปัญญานี่ตอนพิจารณาทางด้านปัญญานี่คราวนี้จึงเห็นผลว่าการถอดถอนกิเลสนั้นถอดถอนได้อย่างไรบ้างถอดถอนด้วยอุบายอะไรบ้างถอดถอนด้วยสมาธิหรือถอดถอนด้วยปัญญานี่รู้ได้ชัดทีเดียวสมาธิเป็นแต่เรือนคักของจิตทำกิจให้มีความสงบสบายในเวลาพักแต่ไม่สามารถจะถอดถอนกิเลส ให้ขาดไปโดยสิ้นเชิงตามประเภทประเภทของกิเลสไปได้นอกจากปัญญาเท่านั้นนี่ก็มาทราบได้ในระยะนี้เพราะการถอดถอนกิเลสไม่ใช่จะถอดถอนทพื่อาดเสี้ยที่เดียวหมดเพราะเราไม่ใช่นิสัยของคิปปะพิญญาคือเป็นผู้จะต้องรู้เร็วเห็นเหล็กละได้เลยต้องถอดถอนไปเป็นชั้นชั้นเป็นลำดับลำดับลำดับเข้าไป แต่ส่วนทีเลสที่มาเกี่ยวข้องกับร่างกายร่างเกี่ยวข้องกับร่างกายก็ต้องเกี่ยวข้องกับรูปภายนอกนี่ทันเรียกว่ากรรมาตัญหาพิจารณาส่วนกายของตอนเองกับส่วนภายนอกเทียบเคียงกันได้รูปเท่าทันในส่วนทั้งสองนี้แล้วคําว่ากามาตัญหามันก็หมดปัญหาไปเองเป็นภาระอันและเป็นการตรงภาระอันหนึ่งลงได้ใจประดีษขึ้นอีก สิ่งเหล่านี้เป็นภาระเหมือนกับหินทวงจิตใจของเราให้จมดิ่งลงไปปัญญาได้ใช้เข้าไปเสมอเสมออา้าวมีส่วนใดที่มาสัมผัสกับจิตมีอารมณ์อันใดที่มาเกี่ยวข้องกับจิตซึ่งเป็นเหตุให้จิตมีความพอใจอยู่ก็ทราบชัดว่าอารมณ์นั้นแหละเป็นทางเดินของจิตพิจารณาอารมณ์มนนั้นเป็นทางเดิน และเป็นอารมณ์ของจิตเสมอค่ายควรจน ร, รู้เห็นชัดแล้วก็ปล่อยวางกันไปเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นเมื่อข้างนอกนี่ขอสรุปความให้ท่านผู้ฟังทีเดียวเพราะกลัวจะไม่มีลาจะไม่พอแก่การแสดงในวันนี้เมื่อภาระที่เกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสภายภายนอก และพาระคือส่วนแห่งรูปประขันธ์ของเราหมดไปแล้วด้วยอํานาจของปัญญาขั้นนี้ปัญญาขั้นต่อไปก็พิจารณาเรื่องของนมามธรรมคือพวกเวทนาสัญญาสังขารหนึญญ่งยาเวทนาเกี่ยวกับกายเวทนาเกี่ยวกับจิตละเอียดข้อเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องเวทนาเกี่ยวกับจิตต้นลวนสัญญาจิตหมายว่าอะไรสังขารจิตปรุงเรื่องอะไร ยิน ญ, ญาณกิดรับรู้กับเรื่องอะไรมีสาเหตุเป็นมาได้ยังไงแล้วดับไปอยู่ที่ไหนดับตรงไปแล้วแล้วจะดับด้วยวิธีอะไรดับโดยขาดจากความยึดถือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเวทนาสัญญาสังขานยิญยานนี่เป็นเรื่องของปัญญาจะต้องสอดแทรกวานล้อมกันเป็นประจำนิสัยมาถึงขั้นนี้แล้วปัญญาของเราไม่ต้องได้บังคับ เริ่มมาตั้งแต่ปัญญาขั้นกลางคือขั้นรูปกายมาคั้นนี้แล้วไม่มีปัญหาที่จะต้องบังคับปัญญาให้คน้นให้พิจารณาแต่จะเป็นอันตโนมัติของปัญญาผู้มีความเคยชินต่อตนเองและมีความพอใจที่จะค้นคว้าในสิ่งใดที่ตนเห็นว่ายังเป็นที่ไม่สนิทใจ จะพยายามค้นคว้าให้เห็นและรู้เท่าทันเป็นลำดับลำดับไปไม่มีการยับยังนี่ปัญญาขั้นนี้ที่เรียกให้สนิทใจของตัวเองนั้นเรียกว่าอัตโนมัติคือไม่ต้องบังคับเหมือนกับน้าซับน้ำซึมไลหลลินอยู่อย่างนั้นตลอดเวลานอกจากเวลาหลับเท่านั้นในเอียบ ท, ทั้งสี่เว้นแต่หลับเท่านั้นปัญญาประเภทนี้ จะไม่มีเวลาพักตัวนอกจากเราจะบังคับเข้าให้พักในเรือนสมาธิเป็นระยะการเพื่อพักผ่อนหย่อนจิตเท่านั้นแต่จะให้ปัญญาคั้นนี้หยุดตัวเองนั้นจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเหตุหรือเชื่อมีอยู่ที่ใดปัญญาคันนี้จะต้องสอดแทรกติดตามเป็นระยระะไปทีเดียวเพราะปัญญาไม่หยุดนี่แหละ จึงเป็นเหตุให้รู้ทั้งสาเหตุเป็นที่เกิดของเมทนาทางจิตทั้งเมทนาซึ่งเป็นตัวผลเกิดขึ้นภายในจิตทั้งสัญญาที่หมายจิตหมายความสุขความทุกข์ทั้งสังขารที่ปรุงเกี่ยวกับเปืือกหนี้วิญญาณซึ่งคอยรับทราบกันจากภายนอกก็ตามภายใน ก, ก็ตามจะต้องเข้าไปถึงตัวจิตนี่อาการทั้งสี่ทั้งห้านี้ เป็นประตูหรือเป็นทางแต่ล ะ, ละสายแต่ลสายออกมาจากจุดจากจุดใหญ่คือใจผู้ที่ทำงานอยู่ภายในใจนั้นเบื้องต้นก็คืออวิชชาเป็นผู้บงการบงงานถืออาการทั้งห้านี้เป็นทางเดินหรือเป็นเครื่องมือ ในขณะเดียวกันการปฏิบัติก็ต้องอาศัยอาการเท่านี้แหละเป็นทางเดินและเป็นเครื่องมือของปัญญาอีกเช่นเดียวกันจนสามารถรู้ชัดทั้งทางสี่ห้าแยกคือรูปเวทนาสัญญาทั้งฐานนี้นั้นทั้งจุดใหญ่ซึ่งเป็นที่ตั้งของทางนี้แยกออกมาได้แก่จิตแท้ หรือคือได้จจจิตคำว่าแท้นี้หากว่ายังมีอวิชชายังฝังอยู่นั้นอยู่นั้นตราบใดจะเรียกว่าจิตแท้ยางไม่ไดนต้องเป็นวัตจิตถ้าจะเรียกก็ต้องเรีย ก, ยกวัตจิตพอปัญญามีความสามารถเต็มที่แล้วเราไมา่ได้คาดได้ฝันเลยว่าเราจะถอดถอนธรรมชาติหรือแยกอวิชชากับจิตออกจากกันได้ด้วยวิธีใด แต่ก็แน่ใจในขณะที่ปัญญามีความพร้อมูลภายในตัวเองแล้วจะเป็นผู้แยกหรือเป็นผู้ทาหน้าที่ระหว่างจิตกับอวิชชาให้พลาคจากกันได้โดยไม่มีปัญหาในเวลานั้นนี่พอเข้าถึงขั้นละเอียดยิ่ง ได้ทำหน้าที่การเสร็จสิ้นลงไปแล้วเท่านั้นเรื่องหน้าที่ของในพระศาสนาทั้งหมดเราจะทราบได้ทันทีว่าที่พระพุธทธเจ้าตรัสไว้ว่าวุชิตังพระมจรีย์กระตังกระตังกรณนิยังนักะลังอิตธิราชที่คว่าเศษกิจในพมจรรันหรือว่ามีพมจรรันอยู่จบแล้ว ทิศอื่นที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีนันคืออะไรการละการบำเพ็ญก็หมายความว่าจิตยังไม่พอตัวชั่วจิตก็ยังชอบดีจิตก็ยังรักเพราะฉะนั้นจึงต้องแยกกันแยกที่ชั่วให้ห่างจากจิต ด, ด้วยอุบายวิธีที่ถูกต้องสั่งสมหรือส่งส่งเสริมจิต ความคิดของจิตที่เป็นไปในทางที่ดีให้มีกำลังมากเสริมปัญญาให้มีความคล่องแคล่วฝึกหัดปัญญาให้มีความแก้วกล้าสา ม, มารถจนพอตัวแล้วแยกความไม่พอดีทั้งหลายเหล่านั้นออกเสียคือดีก็าตามชั่วกว็าตามจัดว่าสิ่งปรอมแปลงหรือสิิงที่แฝงจะทำจิตไม่มีความพอดีคงที่ตัวอยู่ได้เมื่อได้แยกสมมติทั้งสองประเภทคือดีกับชั่วออกแล้วการไหน การนั้นแลเป็นการที่จิตจะเรียกตัวเองได้ว่าอากาลิโกไม่ต้องหาอะไรมาเพิ่มเติมอีกแล้วเป็นสิ่งที่พอตัวอยู่ตลอดกาลเนะี่ยเป็นธรรมชาติที่อัศจรรย์ซึ่งไม่เคยปรากฏมาแต่การไห น, ไหนทั้งที่จิตดวงนั้นแลเราก็รู้อยู่ทุกวันนี้รู้ได้โดยจิตแต่จิตที่รู้อยู่ตามธรรมชาตินี้ตามธรรมดานี้เป็นจิตที่แฝงอยู่ด้วย สิ่งที่ไม่รู้ภายในตัวเองอีกเมื่อได้แยกสิ่งที่แฝงนี่ออกได้ให้เหลือแต่ความรู้รวนๆแล้วนั่นแลจึงเรียกว่าความรู้ที่พอตัวที่ว่าจะบำเพ็ญห้ยิ่งกว่านั้นอีกก็หมดปัญหาจะบำเพ็ญเพื่ออะไรจะละก็จะละอะไรสิ่งที่จะควรละมันไม่มีแล้วจะละอะไร จากควรถ้ายิ่งก็หมดความยิ่งแล้วจะเอาอะไรเพราะความยิ่งความหย่อนเป็นเรื่องของสมมุติซึ่งเรียกว่าเป็นความไม่สม่ำเสมนเป็นความแฝงทั้งนั้นไม่ใช่เป็นความพอตัวเหมือนอย่างธรรมชาติของตัวเองนี่ท่านจึงเรียกว่านัตถิสันติปรลังสุขขังสุขนอกจากความสงบไปไม่มีความสงบในที่นี่หมายถึงความสงบอันพอตัวไม่ใช่หมายถึงสงบความ ของสมาธิเป็นขั้นั น, นแต่หมายถึงความสงบอันพอตัวเลว้เหมือนน้ําที่เต็มแก้วแล้วมั่นจะหยดน้ำลงไปเพิ่มอีกหยดหนึ่งก็ต้องไหลออกเพราะไม่มีความจําเป็นจะต้องเพิ่มอีกแล้วถ้าลดยิ่งกว่านั้นก็ไม่จัดว่าน้ํานี้เต็มแก้วแล้วโดยสมบูรณ์นะความพอดีของน้ําในแก้วก็คือเสมอขอบปากแก้วนะั่นแหละเรียกว่าน้ํานี้เต็มแก้ว ย้อนกว่า น, นั้นไม่เรียกจะเพิ่มนุองอีกก็ไม่จําเป็นทิ่งที่จะเรียกได้เต็มปากเขาคือน้นําเต็มขอบปากแก้วแล้วนั่นแหละชื่อว่าแก้วนี้เต็มแล้วด้วยน้ําจิตที่มีความพอตัวแล้วเช่นนี้แหละชื่อว่าสันติอันแท้จิตนี่ทางดําเนินในอธิบายมาตั้งแต่ต้นจนถึงจุดนี้ จะ ต, ต้องดำเนินไปดังที่กล่าวผ่านมาแล้วนี้ทางนั้นไม่มีทางอื่นเป็นที่ออกตัวเพื่อทำจุดนี้นอกจากจะดำเนินตามแนวที่พระพุทธเจ้าสอนไม่สำนั้นความทุกข์ความลำบากพระพุทธเจ้าผ่านมาเสียจนพอไม่เช่นนั้นไม่เป็นครูของพวกเราแล้วเราจะเอาความยิ่งวยวดกว่าพระพุทธเจ้าไปที่ไหนอีกนอกจากจะเดินไปตามส า, สายที่พระพุทธเจ้าเดินนี้สำนั้น อขอทุกท่านได้ทําความตระหนักภายในจิตใจของตนระหว่างแห่งธรรมะกับเราอย่าให้ห่างเหินจากธรรมะอย่าห่างเหินจากพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงดังที่กล่าวผ่านมาแล้วให้เป็นผู้มีความสนิทก้มกลืนกับพระตนะไตรด้วยข้อปฏิบัติของตนยกพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงเป็นธงอันเอกระลึกภายในจิตใจเสมอ จะเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยข้อปฏิบัติไม่ท้อถอยแล้วจะเห็นผลอันสมบูรณ์ดังที่อธิบายมาโดยแน่นอนจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้